มีเรื่องเล่าเกี่ยวกับหลวงพ่อโตนะหลวงพ่อโตนี่คนไทยเราก็รู้จักกันดีนะท่านเป็นพระในสมัยรัตนโกสินทร์นะก็มีอายุเมื่อเกือบสองรอปีที่แล้วนะคนเรายุค ก, กับหลวงพ่อทวดนะหลวงพ่อทวดนี่คนไทยก็รู้จักแล้วก็มักจะได้ยินเสียงชื่อเสียงคู่กันหลวงพ่อโตหลวงพอ่อทวดหลวงพ่อทวดนี่เป็นพระเถรสสมัยอยุทยานะ ก็มีชิตเมื่อประมาณสักี่ร้อยปีที่แล้วมั้งควรยุ ก, กับหลวงพ่อโตแต่คนไทยก็นับถือมากส่วนใหญ่ก็นับถือในเรื่องของอความศักดิ์สิทธิ์แล้วก็หวังอิทธิฤทธิปฏิหารนะจากหลวงพ่อทั้งสององค์แต่ที่จริงสิ่งสำคัญที่มีคุณค่ายิ่งกว่าอิทธิปฏิหารนะหรือว่า ความสามารถในการดลบันดาลต่างๆให้เป็นไปตามความปรารถนาของเราได้นะก็คือคำสอนนะคำสอนหรือว่าแบบอย่างการปฏิบัติของอทั้งสองท่านหลวงพ่อทวดเนี่ยประวัติมีน้อยนะเพราะว่าเป็นพระเมื่อสี่รกว่าปีที่แล้วแต่หลวงพ่อโตนี่ท่านมีเกร็ดประวัติมากมายอี่น่าสนใจ คราวนึงก็มีพระจากวชนะนสงครามเป็นพระหนุ่มเนี่ยก็ข้ามแม่นมนะ้ำเจ้าพญามหาหลวงพ่อโตนะท่านอยู่วชนะ ว, ว, ว, ว, วัดวัดระังคนละฟากแม่นม้ำสีหน้าก็ไม่มีความสุขเท่าไหร่พอมาพบหลวงพ่อโตนะารูปนี้ก็บอกว่าผมมีเรื่องไม่สบายใจครับนะ พยายามดับความรุ่มร้อนนะก็ไม่สําเร็จนะรู้สึกร้อนผ้าเหลืองจึงอยากจะมาขออยู่วัดกับหลวงพ่อนะกับพระเด็จพระคุณสักระยะหนึ่งนะหลวงพ่อโตนะท่านได้ยินแล้วก็เลยพูดขึ้นมาว่านะท่านมีเรื่องขัดแย้งกับเจ้าว่าใช่ไหมพระนุ่มนั้นได้ยินก็ประหลาดใจเพราะว่าเป็นเช่นนั้นจริงๆนะมีเรื่อง ขัดแย้งกันนะหลวงพ่อโตท่านก็เลยพูดว่านะถ้าอยากสบายใจนะก็ให้ทําตัวเหมือนหมาสนะิพระนั่นก็ยิ่งงงเข้าไปใหญ่นะทีแรกก็งงว่า้ท่านรู้ได้ยังไงนะว่าเรามีปัญหากับเจ้าวาดแล้วพอมาพูดแบบนี้ว่าให้ทําตัวเหมือนหมาเนี่ยนะแล้วหลวงพ่อโตท่านก็อธิบายว่าเข้าใจไหมเวลาหมาเนี่ยมันทะเลาะ ก, กันเนี่ยมันกัดกันเนี่ยนะ ไอตัวแพ้นี่มันก็จะนอนง่ายนะแสดงอาการยอมแพ้ไอส่วนตัวที่ชนะมันก็จะคล่อมแล้วมันก็จะส่งเสียงนะแสดงอำนาจสักพักแล้วก็เลิกกันนะพูดเท่านี้นี่พระหนุ่มนั่นก็เข้าใจแล้วสุดท้ายก็ตัดสินใจนะไม่อยู่วัดละคังแล้วนะกลับไปวัดของตัวคือวัดชนะสงคราม แล้วคงจะทำตามอย่างที่หลวงพ่อโตได้พูดไวนะเพราะว่าไม่กลับมาหนีร้อนมาพึ่งเย็นที่วัดละรังอีกนะอันนี้ก็เรียกว่าท่านสอนนะโดยอาศัยนะคำของพืชเจ้าที่ว่าเนี่ยแพ้เป็นพระชนะเป็นมาร น, นะบางทีคนเรามีความขัดแย้งนี่ก็คิดอยากจะเอาชนะกันเพราะว่ามันมีความโกรธนะ แต่ว่าที่ยุบเบื้องหลังความโกรธนะก็คือความถือตัวนะก็เรียกมารณนะ์มานณ์นี่มันมันจะมีเป็นกิเลสอย่างหนึ่งนะที่ทําให้คนเราเนี่ยไม่อยากจะยอมแพ้มันเป็นการชอบประกาศว่าฉันเก่งฉันแน่นะีเรียกเป็นความสําคัญมั่นหมายว่ากูเก่งกูแน่นะีก็มีกันทั้งนั้นนะอาจารย์พุทธชยเรียกว่าปมเด่นนะ ปมเด่นคือไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามจะเด็กหรือผู้ใหญ่เนี่ยมันก็มีปมอันนี้ก็คือต้องการที่จะแสดงตัวตนนะต้องการที่จะให้ใครให้คนคนให้ผู้คนทั่วไปยอมรับนะร่าการแบบนี้เนี่ยก็จะไม่ยอมแพ้ใครนะถึงแม้จะยอมก็ จ, จะยอมอยู่ข้างในนะยอมอยู่ข้างนอกแต่ว่าใจมันไม่ยอมปมเด่นอันนี้ก็รวมถึงความ อ, อยากมีหน้ามีตาด้วยนะอยากมีหน้ามีตาอยากให้คนยกย่องสมัยนี้ก็รวมไปถึงว่าอยากให้คนกดไลค์ด้วยนะเวล า, าขึ้น f a เฟซบุ๊กไอความอยากให้คนกดไลค์มันก็เป็นเรื่องของมานะเป็นกิเลสอย่างหนึ่งที่จะให้คนยอมรับแล้วก็รวมถึงว่าอยากเป็นคนสําคัญเป็นเป็นซัมบอดี้นะนี่ภาษาฝรั่งซัมบอดี้ถ้าเป็นโนบอดี้นี่ก็ทนไม่ไหว คนที่ฆ่าตัวตายจำนวนมากเนี่ยพราะเขาส่วาเขาเป็น no body เขาไม่มีคุณค้าไม่มีความสำคัญบางทีฆ่าตัวตายไม่สำเร็จก็ตัดสินใจไปฆ่าคนอื่นตายนะเพื่อจะได้เด่นดังจะได้มีชื่ออันนี้เป็นเรื่องจริงนะมันมีพวกที่ชอบไปฆ่าคนดังๆเนี่ยนะมีคนเคงไปฆ่าจอร์แดนนอนนะที่ h a ปแมนะก็บอกว่าเนี่ยเขาอยากยาให้โลกเนี่ยได้รู้จักเขานะ เพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยอยู่ไปไม่มีใครรู้จักนะทําอะไรก็ไม่สําเร็จทํางานก็ตกตกงานมีแฟนแฟนก็ทิ้งรู้สึกไม่มีคุณค่าก็เลยตัดสินใจฆ่าตัวตายขณะดฆ่าตัวตายไม่สําเร็จเลยนะเป็นคนที่แพ้แพ่แ พ, พ้ทุกอย่างก็เลยคิดว่าเนี่ยอยากจะเป็นที่รู้จักนะให้คนรู้ว่ากูเป็นใครอยู่อยู่ในโลกนี้นะก็เลยไปค่าจอหนเลนนอนก็ได้ดังสมใจนะ ไอ้พวกความอยากดังนี่ก็มันก็แสงออกกางหลายอย่างนะการเขียนข้อความตามฝาผนังนะเขียนชื่อของตัวเองนะตามสถานที่สําคัญที่ท่องเที่ยวนะอย่างกําแพงเมืองจีนนี่มีคนเขียนเพียบเลยนะหรือว่าตามน้ําตกตามมนุษสาววิลีนะตามพระราชวังสถานที่สําคัญก็จะเห็นมีคนเขียนชื่อของตัวเองเอาไว้ไอ้วันนี้ก็เกิดจากการต้องการแสดงตัวตน ให้โลกรู้ว่ากูอยู่ในโลกนี้นะเว้ยมีกูอยู่ในโลกนี้นะเขาเขียนให้อ่านออกนะไม่ได้เป็นลายเซ็นนะแต่เขียนให้อ่านออกว่านายกนามสกุลขอนี่นะเคยมาที่นี่แล้วนะอันนี้นี่ถ้าเกิดว่าคนเรานี่ถ้ามันมีกิเลสแบบนี้มาเรียนรู้จากหมาได้ก็ดีเหมือนกันนะเพราะหมานี่มันก็ยอมนะถึงแม้ว่ามันจะมีอัตตาเหมือนกันนะแต่ว่าถ้ามันแพ้มันก็ยอมแล้วมันก็ฉลาดที่จะไม่สู้นะเพราะว่าสู้แล้วเนี่ยก็เจ็บตัวเปล่าไอ้หมาที่ชนะมันก็ พอใจแค่นั้นนะพอรู้อีกตัวหนึ่งยอมแล้วมันก็พอใจแล้วมันไม่ไม่เล่นถึงตายไม่เหมือนคนนะคนนี่ขนาดแพ้แล้วยังเอาถึงตายได้นะั้นแต่สัตว์นี่มันถ้าอีกตัวหนึ่งแพ้นี่มันมันยอมมันไม่มันไม่รบกวนหรือลุกลานต่อจริงหมานี่นก็เป็นมีอะไรที่จะสอนใจเราได้เยอะนะเป็นอาจารย์เราได้นะอย่างหลวงพ่อโตนี่ก็ให้พระนี่นะเอาหมาเป็นครูบ้างนะที่จริงก็ไม่ใช่พระอย่างเดียวคนทั่วไปด้วย แต่หมานอกจากเป็นครูแล้วนะ้องทีก็เป็นเพื่อนที่ดีนะคนเดียวนี้นี่เงานะก็อาศัยหมาเป็นเพื่อนและมางทีก็ช่วยอะไรได้เยอะนะเคยได้ยินมากมายในเรื่องราวหมาช่วยชีวิตคนนะคนตกน้าหมาก็ช่วยนะหรือว่าประสบบัติเหตุนะคนบาดเจ็บทําอะไรไม่ถูกหมานี่ก็ไปเรียกคนมาช่วยนะแต่มันมีเรื่องนึงน่าน่าสนใจแปลกดี มีผู้ชายคนหนึ่งเนี่ยอายุมากแล้วนะแล้วก็ามารักษาตัวที่โรงพยาบาลรู้สึกเป็นบัดพักคนชลาวัดพักคนชลาก็หงอยนะหงอยแล้วก็ ร, าการก่ า, างกายก็ย่าจนกระทั่งใกล้จะตายก็อยู่ในห้อง i อซนะพังงาพังงบแล้วคุณปู่คนนี้แกก็บอกว่าเนี่ยความปรารถนาสุดท้ายของฉันก็คืออยากจะเห็นหน้าหมาของฉันหมานี่ชื่อบับบ้านะ โรงพยาบ้านพระคุณฉลาก็ดีนะไปตามหาหมาตัวนี้ก็ไปพาเจ้าบับบ้ามาเพื่อมาให้เจ้าของเห็นหน้าเขาสุดท้ายพอหมาไ ม, ม่เห็นหน้าเจ้าของมันก็ปีนขึ้นไปบนเตียงเลยนะเจ้าของเห็นก็ดีใจมากถึงกับร้องไห้นะไอหมาผมก็เลียหน้าเลียตานะเพราะว่าจากกันมานานปรากว่าแทนที่จะตายอย่างสงบนะแต่คุณปู่คนนี้แกอาการก็ดีขึ้นเรื่อยๆ <laughs> ดีขึ้นเรื่อยๆนะดีขึ้นเรื่อยๆจนกระทั่งออกจากหอไอซียูแล้วก็สุดสุดท้ายก็กลับไปบ้านได้นะก็เรียกว่าหมานี่ช่วยชีวิตแท้ๆนะเรียกว่ารอดชีวิตได้เพราะหมาะนะคือพอเห็นมมหน้าม้ามันมีกําลังใจสแสดงว่าที่ทุกเนี่ยนะที่กําลังจะตายเนี่ยมันเป็นเรื่องความทุกข์ใจนะมันหงอยเหงาชีวิตไร้คุณค่านะร่างกายจะยังดีอยู่นะแต่ใจเนี่ยเหมือนกับว่าไม่มีชีวิตชีวาหมดอะไรตายอยากกับชีวิตแล้ว นะจมอยู่ในความทุกข์นะแต่พอมีหมามานะโอ้ดีใจความดีใจที่ได้เจอมาอาจจะดึงจิตดึงใจให้ออกมาจากไอ้ความทุกข์ความกางมังวลก็อย่างที่เราเมื่อวานนะคนแก่ใกล้จะตายแล้วอุตส่าห์ฆ่าตัวตายไม่สำเร็จนะเพราะว่าเมียก็ตายอยู่กันมาหกสิบปีไม่กินอาหารเลยนะเศร้าตอมตอมอาบน้ำก็ไม่อาบนะอยู่กับเตียงนั่นแหละ ลูกต้องพาทำทุกอย่างเลยทุดท้ายต้องพามาส่งบ้านพักคนชราถึงบ้านพักคนชราก็ไม่กินอะไรคล้ายๆก็คิดว่าตายแน่แล้วเนี่ยเพราะว่าง่อยมากเหลือเกินและวันดีคืนดีก็มีคนเอาไม่ใช่ไม่ใช่คนธรรมดาก็พ่วงโดยการนี่แหละเขามีนโยบายไหมเอาสัตว์มาเลี้ยงในมาเลี้ยงในบ้านพักคนชราก็เจ้าที่ก็เอานกแก้วตัวเล็กๆสองตัวมาไว้ในห้องเขาทีแรกแกก็ดูเฉยๆนะ แต่ก็เริ่มมีความสนใจลราแสดงความสนใจนกแก้วแต่ก่อนไม่สนใจเลยเลยมอือยลอยตอนนี้เริ่มสนใจนกแก้วนั่งหรือนอนอยู่บนเตียงก็คอยดูมันเจ้าหน้าที่มาก็บอกไอ้นกแก้วตัวนี้คู่นี้มันไม่กินเนามันไม่กินนี่นะหรือว่าบางทีบอกเออมันร้องเพลงเพราะนะมันร้องทั้งวันเลยไอ้ที่ไม่คุยเริ่มคุยแล้วชีวิตชีวาเริ่มกลับมาแล้วก็เริ่มกินอาหารแล้วก็เริ่มแต่งตัวเองแล้วก็เริ่มออกไปข้างนอก ท่านนี้ไม่ใช่สนใจแต่นกนะอยากจะอาสาพาหมาไปเดินเล่นพาหมาไปเดินเล่นเพราะหมามันต้องเดินเล่นอยู่แต่ในบา้บานพักคนชราไม่ได้ต้องไปออกไปเดินเล่นทำเนียมฝรั่งเป็นอย่างนั้นไม่เขาไม่ได้เลี้ยงหมาเท่นผ่านออกไปข้างนอกก็กลายเป็นว่าสุขภาพดีขึ้นนะสุดท้ายก็กลับไปบ้านได้นะกลับไปอยู่กับลูกเหมือนเดิมนะนนี้เรียกว่าเป็นเพราะนกแก้วเนี่ยมันดึงเขาออกมาจากโลกแห่งความคิด ออกมาจากอารมณ์ที่มันติดหนึบอยู่นะผู้ชายคนที่ว่าเนี่ยที่เจอหมาแล้วฟื้นขึ้นมาได้เนี่ยคงจะเหมือนกันนะหงอยเหงาจมเศร้าซึมวกไปเวียนมาอยู่กับอดีตนะชีิตมันไร้ความหมายนะเหงาขาดเพื่อนพอเจอเพื่อนโอ้ดีใจกําลังใจกลับมาเรี่ยวแรงก็ฟื้นนะอันนี้เป็นเรื่องของใจแด้แทนนะแล้วบางทีก็อาศัยได้หมานี่แหละนะช่วย เดีนี้คนที่เป็นโรคซึมเศร้าในเมืองนอกในอเมริกานี่มีเยอะนะนักศึกษาก็มีคนเท่าคนแก่ก็มีและไปถึงที่เขาใช้คือให้ให้ให้ให้สัตว์เลี้ยงเนี่ยนะให้ไปอยู่กับสัตว์เลี้ยงมีบริการให้ยืมสัตว์เลี้ยงนะเช่นหมาเนี่ยแมวเนี่ยเออบางทีก็มีลูกเจี๊ยบนะมีไก่ด้วยนะให้ยืมนะให้ยืม บางทีก็มีศูนย์ที่เกี่ยวเรื่องสัตว์เลี้ยงโดยตรงให้คนที่ซึมเศร้าคนที่มีปัญหาทางจิตนะมาได้สัมผัสได้มาเล่นกับสัตว์นี่ตอนแรกที่ไม่รู้จักกันก็กลับชอบนะกลับฟื้นตัวได้ดีขึ้นที่เคยซึมเศร้าเนี่ยพอมีเอามาไปเลี้ยงสักสองสมวันแล้วก็กลับดีขึ้นนะกลับมาเป็นผู้เป็นคนได้นะฉั้นสัตว์นี่มันก็เป็นมนุษย์ เ, เป็นเพื่อนของมนุษย์ที่น่าสนใจมากนะ อ่แล้วก็เตรียมรับพร